บทที่58สิ่งแรกที่ปรากฏกับคลองจักสุของทุกคนซึ่งพากันวิ่งตามกันมาเป็นทวนก็คือร่างเผือกโพลนเปล่าเปลือยของด็ตอร์สเตเกนฮอฟมันนักสำรวจชาวเยอรมันนอนคว่ำหน้าคาอยู่บนฝั่งทานครึ่งตัวท่อนล่างแช่อยู่ในน้ำตื้นๆหอกเล่มหนึ่งปักเดคาอยู่กลางแผ่นหลังเลือดสีเข้มของเขากำลังไหลาจากบาดแผลของคมหอกที่ปักคาอยู่ครึ่งด้าง ละลายแดงฉานไปกระายน้ำาบริเวณลำทานมีรอยขุณนคลักอันเกิดจากฝีเท้าเป็นจำนวนมากย่ำตะลุยไว้ในมือขวาของนักสำรวจผู้ครารายยังกำปืนพกประจำตัวอันเป็นปืนรีวอลเวอร์ wear, ขนาดจุดสี่ห้าไวแน่นร่างดำๆสองร่างที่นอนจมปริมๆอยู่กลางลำทานเลือดขุ่น้นกาลังละลายปะบนกระายน้าเช่นกันเป็นศพของสางเขียวซึ่งแน่ละ เสียงกระสุนระเบิดสองนัดเมื่ออึดใจที่แล้วนั่นเองไม่ปรากฏร่องรอยวีวเวลของมารีอาฮอฟมันแม่มสาวอันตรธ า, านไปซะแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นภายในเวลาชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นระพินกระเชถาเพนจากยอดของก้อนหินลูกใหญ่ลงมาถึงร่างของด็อร์ฮอฟมันก่อนคนอื่นๆในภาวะคับขันขีดสุดเช่นนี้พิสูจน์ไดเห็นได้ชัดว่าหัวหน้าคณะมีสติได้ดีเยี่ยม เขาทะลังเข้าถึงตัวฮอปมันก่อนพรานใหญ่ซะอีกจับด้ามห อ, อกมั่นไว้ในมือทั้งสองตัดสินใจกระชากพรวดลุดออกจากแผ่นหลังของนักสำรวจผู้เคราะไรและซุดตัวลงช้อนศีรษะประคองไว้ในขณะที่ชายยันและดารินกระโจนตามลงมาถึงเป็นคู่หลังรับพินนั้นภวะผวังเหมือนจะยังไม่สามารถตัดสินใจยังไงถูกหันไปมองฮอปมันแล้วหันกลับไปยังราวป่าฟังตรงข้ามอย่างกระสับกระส่าย แล้วก็มารู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงร้องของดารินออกมาว่าเขายังไม่ตายจอม พ, พรานโจรพวดเข้ามายังร่างของดอกเตอร์ฮอฟมันซึ่งขณะนี้คณะนายจ้างกำลังห้อมล้อมอยู่เพียงสายตาชั่วแวบที่ก้มลงมองเขาเห็นฮอฟมันซึ่งขณะนี้อยู่ในอ้อมแขนของเชิฐถาอ้าปากพงังาพผงัดหายใจหอบหอบตาสีฟ้าทั้งสองเบิกโพลงอย่างที่คนกาลังใกล้มรณการ บรรยากาศรอบด้านของคณะทุกคนในขณะนี้มันเต็มไปด้วยความสับสนอลมานไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ได้ตามเร็วมั น, ม, นมันเอาเมไปนั่นเป็นประโยคกระท่อนกระแทน่นแทบไม่เป็นภาษาที่หลุดออกมาจากปากของคนจิบทุกคนอยู่ที่นี่บุญคำเงซ้ ย, ายตา ม, มาพรานใหญ่ตะโกนก้อง และพร้อมกระเสียงนั้นเขาก็แล่นพรวดข้ามลำธารตื้นตื้นขึ้นไปยังฝั่งตรงข้ามบุญคำกระแงสายไม่มีใครให้ยอมให้เสียเวลาแม้แต่พริบตาเดียวพริบตาเดียวนั้นคนทั้งคู่ก็โจรพรวดๆรวดตามโคดหินไล่หลังมาก่อนแล้วขณะที่คณะนายจ้างตรงมายังที่เกิดเหตุตำแหน่งแรกพอได้ยินคำสั่งของจอมพรานก็ม่ชงักดูเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นแต่แล่นไปตามโคดยอดโคดหินคนละด้าน แล้วก็บรรลุถึงฝั่งตรงข้าพพมพร้อมๆกับกระพินสางปาเป็นคนที่สามที่ออกกวดไล่หลังกระชั้นชิดเข้ามาพอตะลุยขึ้นไปยังปากด่านขยับจะสาวรอยไปตามหลักฐานที่เห็นพงลูกเป็นทางนั่นเองธนูหลายดอกก็วีดแหวกอากาศหวือสวนเข้ามาระพินร้องเตือนผู้ที่ติดตามมาข้างหลังเขาสุดเสียงตนเองเพนบูบเข้าหลบก้อนหินลูกหนึ่งธนูดอกหนึ่งพุ่งเฉียดหลังเข้าไปยังบุดิ แล้วปักลงไปกลางลำธารปีน้ำแตกกระจายงะายบุญคำและสางปลาก็ว่องไวขีดสุดสำหรับการเอาชีวิตรอดคนเหล่านั้นแตกกระจายกันเข้ายึดหลบที่กำบงังเท่าที่พอจะหาได้ผามกลางหาธนูนับสิบที่ประดังมาราวกระดอกไม้พริตาเดียวกันนั้นเสียงโหร้องก็ดังแซ่สนันขึ้นทั้งปาด้านหน้าอึ้งคนึงตีวงโอบเข้ามาเป็นรูปปีกา เสียงป่าแตกอันเกิดจากฝีท่าบุกตะลุยเข้ามาเสียงกลองที่ย่าระรัวสะท้านไปทุกทิศระพินประทับไรเฟิรขึ้นและกระดิกไกในทันทีที่มองเห็นเงาหมู่แรกคือสวนเข้ามาปากลำห้วยแห้งอันทอดมาจบกระลำทานพร้อมกันนั้นเองใครต่อใครบ้างก็ไม่ทราบจากกลุ่มที่ตามติดเข้ามาผสมอีกกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังชุนลมุนอยู่กับร่างของดร์ฮอปมันฝั่งตรงข้าม ก็ระดมกันปล่อยกระสุนขึ้นประสานกันกึกก้องกำปนาตสถานไปทั้งลำธารและหุบเขากรบเสียงโห่ร้องเสียงกลองเหล่านั้นหมดสิน้นกลิ่นดินปืนฉุนกึกและแต่ละหูที่พวงอยู่กับการกระนํากระสุนแข่งกับเวลาในเวลานี้ในขณะ น, นี้ก็ลั่นอื้อไปหมดทุกคนยิงอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถจากไรเฟิลประจํามือที่ติดตัวอยู่ในขณะ น, นี้สองฝากลำธารตําแหน่งนั้น มันก็กลายเป็นฉากตะลุงบอนอันนองเลือดในระหว่างสิบเอ็ดคนของฝ่ายที่มาจากโลกเจริญแล้วกับกำลังอันยังไม่สามารถจะคะเนนนับได้ของฝ่ายอนารยชนผู้หลงสำรุจซึ่งฝ่ายแรกตกอยู่ในฐานะถูกล้อมจู่โจมเอาอย่างกระทันหันแบบประชิด ต, ตัวเหมือนจะเตรียมแผนไว้ก่อนแล้วชุดแรกประมาณ 7-8 คนที่เงื่อเงื่อหอกและเหลาไม้ไผ่เข้ามาพังอกกิ้งระเนรานาไปหมด เหมือนถูกกวาดด้วยร่างแห я. พร้อมกระเสียงแผดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดเจ้าคนสุดท้ายวิ่งแยกเขี้ยวเข้าใส่ระพินด้วยมีดใบใหญ่ในมือที่หวดลงมาสุดเหนี่ยวกระสุนนัดสุดท้ายในซองไรเฟิลของเขามันก็หมดสิ้นไปอย่างช่วยไม่ได้พรานใหญ่ก้มวูบหลบคมมีดที่กระนำฟันลงมาหมายปิดหัวเขาให้ขาดกระเด็นไปนั้นแล้วงัดขึ้นแบกร่างพระหนึ่งลิงอุรังอุตังลอยขึ้นทางตัว ทุ่มทรงด้วยกำลังแรงของมันเองที่โลดทลาเข้ามาลอยควางข้ามก้อนหินเตี้ยๆหลนโครมลงไปในกลางลำทานเบื้องหลังบุญคำผู้กำลังกระสุนหมดชุดและวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตแล่นกลับมายังอีกฝั่งผ่านเข้ามาถึงพอดีประวัติด้วยผ่านท้ายจุด375หกระทบเข้ากา้านคอซ้ำขณะที่มันยงโ ย, ยงหยกจะจังกล้าลุกขึ้นเสียงดังกรอบเหมือนทุกมะพร้าวเ้า มนุษย์ผีดิบตนนั้นพั ง, งะร่อนควางหัวปักลงไปในลำธารอีกครั้งพร้อมกับอวสารของมันและตาเท่ากระดูกเหล็กก็ห่อแนบกลับคืนมายังฝั่งเดิมได้เป็นคนแรกในระหว่างที่ระพินแงซ า, ายและสางปาพันตูนัวเนียอยู่กับพวกนั้นแบบตลุมบอลทมกลางเสียงโหร้องอย่างกระหายเลือดและปริมาณของพวกมันที่กรูกันออกมาจากราวปารอบด้านราวกมดบลูก มองหินตก็กเขียวเหลืองสกปรกที่เสแยยิงฟันอยู่รอบด้านระทึกสะเทือนปานหุบตอนนั้นจะถล่มทลายลงด้วยเสียงกลองที่ระรัวเหมือนจะเป็นสัญญาณบอกความหมายให้เร่งเข้ารุมสังหารบัดนี้สางตากลายเป็นขุนดาบไปแล้วเขาควงดาบกระเรียงที่เป็นอาวุธติดหลังอยู่ชะออกไปรอบด้านเท่าๆกับ ท, ท, ที่เงซ า, ายก็ก้มลงคว้าได้หอกของพวกมันเองขึ้นมาเล่มหนึ่ง กัดแกงรับคมมีดคมหอกที่บุกโจมกระนำเข้ามาทุกทิศทั้งเจ้าพรานป่องสู่ของฮอฟมันและเจ้าคนใช้ชาวดงของคณะเชษฐาต่างคล่องแคล่วชำนาญในการใช้อาวุธสั้นอย่างน่าดูด้วยกันทั้งคู่ส่วนรพินคงมีแต่ตัวไรเฟิล อ, อันหนักนวงซึ่งบัด น, นี้ใช้แทนพลองทั้งลำกล้องอันเป็นเหล็กแข็งทั้งดุนและพานท้ายอันเป็นไม้หนักพอจะประทะต่อต้านกรหอกดาบของเจ้าพวกนั้น ยืดโอกาสของชีวิตออกไปตามมีตามเกิดเชษฐาชัยยันและดารินในขณะนี้ก็จำเป็นต้องพึ่งปืนสั้นใต่ตัวแล้วเพราะวงจำกัดของกระสุนไรเฟิลแต่ละกระบอกดูเหมือนจะหมดโอกาสที่จะบรรจุชุดที่สองได้นอกจากพวกเกิดเสย์จันและขยินซึ่งยังคนอยู่บนปากด้านของฝั่งลำธารอีกด้านจะพวกนั้นไม่อาจจะจู่เข้าประชิด ต, ตัวได้ และทั้งสีพรานี่เองที่ช่วยกันส่งกระสุนเข้ามาช่วยสถานการณ์ร้ายเข้าได้เข้าได้เ ข, ได เ, ขเข้าเข็มของทุกคนที่อยู่เบื้องล่างในระหว่างหุบลำธารไว้ได้อย่างบุดวิตจวนเจียดถอยกลับมาก่อนเร็วเชษฐาตะโกนสั่งฝ่ายของระพินออกไปเป็นครั้งที่เท่าใดไม่ทราบในขณะที่ปืนสั้นในมือของเขาระเบิดยิบเลือกเป้าหมยไปยังสางเขียวที่ยกพลรุกกระนำข้ามลำธารเข้ามาอย่างรวดเร็ว และเห็นดำพืชไปหมดชา ย, ยันยิงจนปืนพกในมือของเขาเกลี้ยงไปอีกแล้วก็ตะครุบ ป, ปืนของฮอมันที่ตกอยู่ขึ้นมากำแน่นไว้ทั้งสองมือส่องไปทางด้านหลังของเจ้าคนหนึ่งซึ่งขณะนี้เงื้อง่าไม้ท่อนใหญ่เรียมแผ่นกระบาลสางปาผู้รบเป็นหนุมานคลุบฝุ่นอยู่เขาลั่นกระสุนนัดนั้นออกไปอย่างแม่นยาทะลุท้ายทอยของเจ้าผีดิบในระยะที่ห่างกันออกไปประมาณยี่สิบหลาอันมีลำธารกั้นกลางอยู่ จ้านันหัวสุนไปเรากระถูกกระทุ้งด้วยท่อนเหล็กจากอำนาจของจุดสีห้าแบบลองโคมันสมองกระจายล้มกลิ่งไปในพริตตาแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็ร้องออกมายังตกใจเมื่อธนูดอกหนึ่งปลิวเฉียดก้านคอเข้าไปเท่าเส้นยาแดงผ่าแปดกระทบกับโคหินเบื้องหลังฉลับครางฟิ้วเขาพุ่งตัวราบกับพื้นกรวดกลิ่งเข้าหาซอกขินพร้อมกับระเบิดกระสุนทรงเดชออกไปอีกนัดนึง ในกลุ่มของไอ้ผีป่าที่วิ่งโห่ร้องข้ามลำธารมาอีกดารินสามารถควบคุมสติไว้ได้ดีเหนือกว่าทุกครั้งที่แล้วมาทุกนัดของหล่อนไม่ว่าจะเป็นชุดแรกของไรเฟิลจุด3 0มศแมกนัมหรือชุดหลังอันเป็นหกนัดของจุดสหปืนสั้นไม่มีนัดไหนศูนย์เปล่าเลยทุกครั้งที่มันก้องออกไปย่อมหมายถึงสสงเขียวจะต้องคว่ำลง รบัตดนี้หล่อนกำลังใช้ความแม่นยำบวกกับกความเร็วส่งม่านกระสุนประกาสิทธิ์ไปคุ้มครองแง่สายส่่งปาและระพิงเท่าที่วงกระสุนจะอำนวยให้ได้เชื่ถามไม่เสียบุคลิกในการเป็นผู้นำที่ดีของเขาอดีตนายพันโททูทหารบกยิงพลางก็ร้องตะโกนบอกใครต่อใครสั่งการไปพลางเขาเร่งกำชับให้เกิดเสยจันและขยินช่วยระดมยิงคุ้มครองไปยังฝั่งโน้ต ร้องเตือนให้รับพินเร่งถอยกลับมาสมทบและเมื่อเห็นว่าบริเวณที่เขาชายันดารินและร่างอันบาดเจ็บนอนพังงาบอยู่ของดอกเตอร์ฮอปมันกำลังจะเป็นเป้าหมายของหาธนูที่ระดมปิลมาจากที่ต่างๆรอบด้านแทบไม่สามารถกำหนดที่มาได้ก็บอกให้น้องสาวกับเพื่อนช่วยยิงปะทะไว้พลางตนเองลากร่างของคนเจ็บหลบเข้าหาที่กบาบังอันมั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้นน้อยข้างล่าง ชัยยันร้องลั่นขณะที่ตนเองนอนหมอบถือปืนค้างเฉยอยู่ในมือจ้องไปบนโขดหินสูงเหนือศีรษะของดารินผู้สุดคุกเข่ากําปืนอันร้อนฉี่อยู่ฟากตรงข้ามความจริงนะ่ะเขเหนี่ยวไกลแล้วแต่กระสุนในปืนของดรฮอฟมันที่ยึดขึ้นมาในขณะ น, นี้มันถึงการเอวังไปในลักษณะไม่ผิดกับกระบอกอื่นๆเสียงตือนของชัยยันแผดลั่นมาพร้อมกับเสียงวู เหมือนวัตถุหนักลิ้วลงมาจากที่สูงเบื้องหลังนักมานุษยวิทยาสาวไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองเพราะประสาทอันชินต่อมาหาภัยของหล่อนมันคุ้นเคยต่อเหตุการณ์ดีซะแล้วหล่อนกลิ้งตัวเองอย่างรวดเร็วสองตลบออกไปทางด้านที่ชายยันนอนอ้าปากตะลึงอยู่ทันทีนั้นก็ปรากฏเสียงตุบลงมาอย่างตรงตำแหน่งที่หลอนหมอบอยู่เมื่อครู่ไอ้ผีพัยตนหนึ่งตะครุบหลอนผิด มันพรวดขึ้นอีกครั้งเหมือนหมีเพร้อมกระเสียงคำรามใบหน้าของมันที่อ้าปากเสะยะเขี้ยวมาก็ห่างจากปากระบอกจุดสามห้ในมือของหล่อนที่ยื่นออกมาเต็มเหยียดเพียงช่วงแขนเดียวเข็มแทงชนวนก็สับลงไปบนท้ายกระสุนนัดสุดท้ายในรังเพลิงนั้นอันเป็นเวลาเดียวกับที่มันพรวดเข้ามาเสียงระเบิดแหลมก้องกรบเสียงร้องอุทานเราสับปากของมันหู้กระสุนเจาะเกราะ รูปกรวยฝาฉี่ประเภทเดียวกับที่เคยเจาะ ก, กะโหลกวัวแดงมาแล้วไปฟันหน้าอันใหญ่โตของมันสองซี่ปลิวออกจากปากร้อยเหงือกผ่านเพดานแล้วก็ควานระเบิดออกกะโหลกด้านหลังเลยไปกระทบก้อนหินแฉลบต่อไปด้วยอนุภาพความแรงของมันเป้าหมายฟุบหน้าหัวลงอย่างเงียบสงบแน่นิ่งไม่กระดิกอยู่กับที่ตรงนั้น จังหวะนี้เองที่ชายยันและหล่อนมีโอกาสปลิ้นกระสุนออกมาจากเข็มขัดอย่างชนิดมือสัน่นแล้วยัดเข้าลูกโมกแทบจะไม่หายใจบุญคำซึ่งไม่รู้โผลมาจากที่ไหนก็โจรตบเข้ามาใกล้พร้อมกับขยินคนหนึ่งไรเฟิลอีกคนหนึ่งลูกซองซึ่งบรรจุกระสุนชุดใหม่พร้อมและช่วยกันบรรเลงเพลงศึกหูดับตับเตรียมเกิดกับเสยก็ห่อรับมุมก้อนหินโผไม่เห็นอีกทาง ในขณะที่จันวิ่งพลางยิงพลางลุยน้ำข้ามไปรับฝ่ายของพรานใหญ่ซึ่งขณะนี้แง่ายกำลังหิ้วปีกของสางปาวิ่งเขย่งเกงกอยโซซัดโซเซกลับมาธนูดอกหนึ่งปักติดอยู่กระสบักด้านขวาของสางปามาด้วยจันก็ทะลันเข้าช่วยหิ้วอีกด้านหนึ่งพาการกระเจดิดกระเจิงเข้ามาสมทบกับฝ่ายเชิดถาเหตุการณ์มันเต็มไปด้วยความพาวะพวงยุ่งเหยิงสับสนเหลือที่จะกล่าว ระพินเชฐาตะโกนเรียกออกไปเพราะยังมองไม่เห็นเงาของพรานใหญ่ปล่อยร่างของดรฮอปมั่นให้นอนราบอยู่กับพื้นขยับทลันลุกขึ้นด้วยความเป็นห่วงทันทีนั้นก็เห็นจอมพรานถือปืนสองกระบอกซึ่งคงเป็นของใครอีกกระบอกหนึ่งที่ทำตกไว้วิ่งน้ํากระจายตรงเข้ามาสางเขียวอีกหมู่หนึ่งโฮหฮือควงหอกแหลนแล่นไล่มาด้วยเป็นทรวนเหมือนฝูงปีศาจยิง ทั้งเขาและชายันตะโกนบัญชาออกไปพร้อมกันแล้วมันก็ดูเหมือนไม่จําเป็นจะต้องรอคําสั่งนั้นทุกคนที่ถือปืนพร้อมอยู่ในมือขณะ น, นี้ต่างรู้นหน้าที่ของตนดีประมาณห้าหกระบอกจากมุมต่างๆที่รอคอยและเห็นเหตุการณ์นี้อยู่แล้วก็กึกกล้องประสานเสียงขึ้นพร้อมทั้งตับชุดหลังสุดที่พากันวิ่งไล่ระพินมาอย่างกระหายเลือดนั้นล้มเป็นใบไม้หล่น กายกองทับอยู่กับซ่าของพวกมันที่กลิ้งอยู่กราดเกลื่อนก่อนแล้วแหดเสียงร้องออกมาสนันตาบางคนฟุบนิ่งไปทันทีบางคนเลือดสมกายตายไปกระพื้นดิ่งอยู่เรา้าเรา่ามันเป็นฉากของการประทะหมายเข็นข่าเอาชีวิตกันยังโหดเขี้ยนทารุณที่สุดเท่าที่ทุกคนเคยผ่านกันมาแล้วและไม่คิดฝันมา ก, ก่อนว่าจะได้มาพบกับพฤติกรรมเช่นนี้อีก ระพินแล่นกลับมาถึงพร้อมกับหอบหักเลือดแดงไปเหมือนกันแต่ลักษณะอันยังคล่องแคล่วรวดเร็วของเขาทำให้ทุกคนแน่ใจว่าคงไม่มีอะไรสาหัสร้ายแรงนักและไม่มีเวลาที่จะไปถามเช่นนั้นเพราะมีคนเจ็บที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้อยู่ถึงสองคนดอกเตอร์ฮอบมันกับสางปาซึ่งบัดนี้ทั้งบ่าวและนายผู้เคราะห์ร้ายถูกหามเข้ามากองรวมกันไว้สางปายังนั่งได้ หน้านิ้วคิ้วขมวดด้วยความเจ็บปวดทรมานจากบาดแผลธนูหน้าซีดเขียวส่วนดรฮอฟมันนั้นไม่ต้องพูดถึงทุกคนมองผ่าดผ่าดก็เห็นเงามรตยูที่ฉายชัดอยู่ในดวงตาสีฟ้าอันฟ้าฟางคู่นั้นและลอกของการจู่โจมขาดตอนไปแล้วแต่เสียงกลองมัจจุราชที่ดังกังวานก้องรับกันยังกระหึ่มอยู่เช่นนั้นฟังไม่ผิดอะไรกับเสียงของยมทูตที่เรียกหาชีวิต มันกลัวไปกระเสียงโห o ครางสำทับขวัญและป่ารอบด้านก็เคลื่อนไหวอยู่คลื่นครัน้นแสดงว่ากองทัพของมนุษย์ผีดิบบัดนี้แวดล้อมอยู่โดยรอบพอวิ่งกลับมาถึงระพินก็บันจุลูกปืนบอกหอพอเร็วหรือว่าถอยกลับขึ้นไปบนที่มั่นของเราเถอะครับเร็วเข้าตรงนี้เรารับมันไม่ติดหรอกหากมันฮือก็ไม่อีกข้างบนปลอดภัยกว่าผมจะยิงสกัดคุมไว้ให้ขณะที่ถอยครับ เชษฐาก็หันไปวงการทันทีนั้นดารินกับชายันวิ่งพละขึ้นไปก่อนเชษฐากับเซยช่วยกันแบกร่างอันรอแรงของดร์ฮอปมันตามติดขึ้นไปเป็นชุดที่สองส่วนเกิดก็เข้าหิ้วปีกพยุงส่างปาพากันตายกลับขึ้นไปและเพียงไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทั้งสามชุดก็ถอยเข้าสู่ที่มั่นอันปลอดภัยนั่นคือบริเวณแคมป์พักนอนอันมีแนวป้องกันแบบหอรบ เช่นที่ตะเรียมกันไว้ก่อนแล้วเมื่อคืนระพินขยินจัน์และบุญคำยังคงทำหน้าที่คอยจ้องยิงเจ้าพวกผีดิบที่จะโผล่เงาออกมาให้เห็นโดยสลับกันคนละชุดมีเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดอันแสดงว่าถูกกระสุนแหววออกมาเป็นระยะๆะะจากสมุมทุ่มพุ่มรกรอบด้านที่แวดล้อมอยู่และพวกมันก็ดูจะเริ่มระหนักถึงพิษสงปืน ไม่กล้าพอที่จะโผล่มาเป็นเป้าอีกนอกจากเคลื่อนไหวอยู่ในพงไม้บีบวงล้อมเข้ามานานๆนานก็จะมีธนูเป็นกลุ่มปลิวโต้ตอบมาสักชุดเขาละ่ะส่งลูกซองกระเข็มขัดกระสุนไม้ฉันเขาหันไปพูกระจันส่งไรเฟิลไปให้ถือแกกระบุญคำล่วงหน้าขึ้นไปก่อนขยินอยู่กับฉันก่อนขยินแยกเขี่ยวรับขยับเรมิงตันคู่มืออันเป็นลูกซองเช่นเดียวกัน บุญคำกับจัน์พราวิ่งขึ้นไปตามคำสั่งของเขาทันทีที่ทั้งสองออกวิ่งไ่ขึ้นไปบนทางล่าชันตามโขดหินธนูอีกนับสิบก็รุมกันประดังปลิวเข้ามาอีกเฉียดทั้งสองไปอย่างโจนเจียนจนต้องวิ่งพลางหลบพลางระพินกับขยินก็สาดมากกระสุนสวนสกัดออกไปสนันวันไหวโดยยิงไปทางตำแหน่งที่มาของธนูเหล่านั้นจนถูกพวกมันหรือไม่นั่ไม่ทราบได้ท่ามกลางพงไม้นาทึ้ ที่กันเป็นฉากอยู่แต่หากระสุนเหล่านั้นก็เงียบหายไปเป็นปริดทิ้งพร้อมกับกิ่งใบไม้ที่กระจายปลิวว่อนด้วยอนุภาพของกระสุนแบบโอโอบักระพินยิงพลางบรรจุพลางอึดใจต่อมาเขาก็หันมาตบไล่เจ้านายบ้านลมช้างเอาละ่ะที่นี่ก็ถึงคราวฉันกระเจ้าบ้างอย่าเอาแต่วิ่งแต่จงค่อยๆถอยถอ ย, ถอย หันหน้าไประวังทางด้านแนวป่าฝั่งโนตพรานใหญ่ขึ้นไปก่อนขยินจะรับหน้ามันไว้เองไม่จำเป็นเราไปด้วยกันขยินเขารังไหลเจ้าอดีตนักเลงโตโดาวชาวดอยแล้วต่างพระออกจากที่มัน่นค่อยๆถอยหลังเลาะลักกำบังมาตามโขดหินและพงไม้สูงขึ้นไปเป็นลำดับพอถึงที่โล่งก็ออกวิ่งรวดเดียวกลับข้ามาถึงบริเวณแคมป์ บนนั้นทุกคนเข้าประจำที่พร้อมสำหรับการตั้งรับศึกใหญ่อันอาจติดพันต่อไปกลองศึกจากฉังสางเขียวก็ยังคงกระหึมครวนครางรับกันเป็นทอดๆ อ, อยู่เช่นนั้นดูราวกับว่าป่าใหญ่รอบด้านแทบทุกตารางนิว้วจะเต็มไปด้วยพวกมันแต่ขณะ น, นี้ทุกคนไม่ห่วงแล้วถ้าพวกมันขืนบกุกก็มาอีกในครั้งนี้ สภาพของมันจะไม่ผิดอะไรกับแมลงเม้าที่บินเข้ากองไฟส่างปาตกอยู่ในความดูแลของขยินและบุญคำเพื่อช่วยเหลือแก้พิษธนูยางนองไม่มีอะไรจะต้องห่วงนะักเจ้าพรานชาวตองสูร่อตายแน่เมื่อนักเลงยางน่องตัวฉกาศผู้ชำนาญการร่วมคณะอยู่ด้วยเช่นนี้แต่สำหรับนายฝรั่งผิวขาวของส่างปาแพทยขนาดมือเกียรตินิยมอย่างดาริน มองไม่เห็นความหวังใดๆเหลืออยู่บาดแผลจากคมหอกลึกชะกันมากมันกำลังจะปิดชีวิตของศาสตราจารย์นักสำรวจชาวเยอรมันภายในไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้อยู่แล้วรพินผู้เพิ่งกลับเข้ามาถึงที่มั่นเป็นคนล่าสุดบาดตรงเข้าไปทันทีเพราะกลุ่มของนายจ้างที่รุมล้อมหอบมัน่นอยู่ในขณะนี้โบกมือเรียกมานักผจญภัยผิวขาวหายใจหอบที ตเ ร, รีเปิดเปิดเขาพึมพำเรียกชื่อพัญญาอยู่ตลอดเวลาและในทันทีนั้นก็เบิกตากว้างพโพงขึ้นมองอย่างเลื่อนลอยออกไปข้างหน้าอย่างปราศจากจุดหมายไพวันไพวันเสียงนั้นพึมพำแผ่วเบามือสายเ ป, ปะปากจอมพรานจับมืออันเย็นชืด น, นั้นไว้เหลือบขึ้นมองดูตาคณะนายจ้างทุกคน ซึ่งบัตรนี้จ้องมาที่เขาเป็นจุดเดียวแล้วก้มลงไปใกล้คนเจ็บผมอยู่นี่ครับด็อเตอร์ฮอกมันมือข้างนั้นกำมือเขาไว้แน่นผมผมไม่เชื่อคุณว่ารักสุดท้ายของผมกำลังจะมาถึงทำใจดีๆไว้ฮอปมันคุณจะไม่เป็นอะไรรบพินกระซิบปลอบโยน มันเป็นตรงข้ามกับความรู้สึกของตนเองในขณะนี้ใบหน้านั้นสั่นไปมาช้าๆหายใจสะอึกเป็นระลอกไม่ไม่มีทางผมไม่รอดแน่ไบวันคุณเป็นเพื่อนที่ดีอดรับปากมันเป็นคำขอรอข้องของคนที่กำลังจัด ผมยินดีปฏิบัติตามที่คุณต้องการครับด็อเตอร์เห็นแก้วิญญาณของผมช่วยตามแม่ด้วยถ้าหเขายังมีชีวิตรอดอยู่ฝากไว้กับทุกคนครับปาด็อกเตอร์ฮอปกันครับนี่ผมเชิถาครับ หัวหน้าคณะก้มลงไปจ่อริมฝีปากชิดหูคนเจ็บกล่าวหนักแน่นไม่ต้องเป็นห่วงครับเรารับปากกับคุณว่าเราจะออกติดตามช่วยเหลือเมยจนถึงที่สุดครับขอบคุณมากทุกคนหมอหมอดารินราชสกุลสาวจับมืออีกข้างหนึ่งของคนเจ็บแม้มริมฝีปากแน่นเสียงเครือ ฉันอยู่นี่ค่ะดรฮอกมันไม่รักหมอมากฝากด้วยให้เขาไปด้วยดารินน้ำตาไหลฉันก็รักเขามากนะคะอย่าห่วงเลยคะ่ะพวกเราทั้งหมดจะตามเขากลับมาให้ได้และเอาเขาไปกับเราดังเครชูน ดังเข ร, ร่างนั้นสะดุ้งเฮือกขึ้นปากอ้าค้างมีเสียงครอกในลำคอเห็นแต่ตาขาวแล้วก็นิ่งสงบดารินจับชีพจรอึจใจต่อมาหล่อนก็เอื้อมมือมากดหนังตาที่เปิดค้างนั้นให้ปิดสนิทลง